สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยาพิบาลนะครับในวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากพุทธรรมสุภาษิตครั้งที่เจ็ดสิบเก้าเรื่องชีวิตของคนชั่วพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่สิบสี่ข้อที่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สิบเก้าสุภาษิตบทที่สิบสี่ข้อที่สิบเอดจนถึงข้อที่สิบเก้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า เรือนของคนชั่วร้ายจะถูกทำลายแต่เต็นของคนเที่ยนธรรมจะรุ่งเรืองมีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความบรณาแม้ใจของคนที่หัวเราะก็เศร้าและที่สุดของความชื่นบานคือความโศกสลดคนตลกตะแลงจะได้ผลจากทางของเขาจนเต็ม และคนดีก็จะได้ผลดีแห่งการกระทําของเขาคนเขาเชื่อถือทุกอย่างแต่คนอย่างรู้มองดูว่าเขากำลังไปทางไหนคนมีปัญญาก็ระวังตัวและหันเสียจากความชั่วร้ายแต่คนโง่เขานั้นขาดความยับยั้งและสะเพร่าคนโมโหร้ายประพฤติโง่เขา แต่คนเฉลียวฉลาดนั้นอดทนคนเขาได้ความโง่แต่คนอย่างรู้ก็มีความรู้เป็นมงกุฎคนชั่วร้ายกราบคนดีคนชั่วร้ายกราบอยู่ที่ประตูเมืองของคนชอบธรรมพี่น้องทับพรวจนะของพระเจ้านั้นได้ให้ทางเลือกกับเราทั้งหลายเสมอ พระคัมภีร์บทที่สิบสี่ข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบนั้นได้พูดถึงเรื่องของคนดีคนชอบธรรมคนที่ดำเนินอยู่ในความเที่ยงธรรมคนที่เกรงกลัวพระเจ้าคนเหล่านั้นแ่ะครับเขาจะได้เดินทางอีกทางหนึ่งในขณะที่คนชั่วร้ายก็จะเดินอีกทางหนึ่งพระคัมภีร์กำลังนำเสนอให้ลูกของพระเจ้า ได้เดินได้เลือกขอบคุณพระเจ้าครับที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สาหรับคนที่ได้เชื่อไว้วางใจในพระเจ้ามีความศรัทธาในพระเจ้านั้นเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราคอยชี้นำเราคอยแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตและคอยบังคับบัญชาพับพิของพระเจ้าพี่น้องครับ เมื่อเราอ่านพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าชีวิตของคนชั่วก็มีจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าเตรียมไว้พระเจ้าได้เตรียมการเก็บเกี่ยวและผลลัพธ์ของคนชั่วร้ายดังนี้ในข้อสิบเอ็ดครับบอกว่าเรือนของคนชั่วร้ายจะถูกทำลายแต่เต็นของคนเที่ยงธรรมจะรุ่งเรือง ชีวิตของเขานนัจะสิ้นสุดลงที่ความตายในข้อ12ได้บอกว่าทางที่คนเรานั้นมีความรู้สึกว่าถูกต้องแต่ไม่ใช่ครับชีวิตของเขานนัจะสิ้นสุดลงที่ทางของความมโนราทางที่เราคิดว่ามันเคยถูก แต่มันกลับลายเป็นผิดนี่คือทางของคนอะธรรมหรือคนชั่วร้ายสำหรับคนชั่วแลร้ลายแล้วนะครับใจของเขาหรือใบหน้าของเขาที่หัวเราะใจของเขานั้นมันเศร้าครับความชื่นบานก็จะกลายเป็นความโศกสลดและเขาจะได้รับผลงานน้ำมือของเขา เป็นความโศกสลดด้วยนี่เป็นความที่น่าเสียดายเสียใจสำหรับคนชั่วร้ายจริงๆแม้ใจของคนที่หัวเราะก็เศร้าสุดท้ายความชื่นบานก็จะกลับกลายเป็นความเศรโศกเสียใจข้อสิบสี่ครับคนที่ตลบตะแรลงเขาจะได้รับผลจากทางของเขาจนเต็มคาว่าเต็ม ในที่นี้ก็คือว่าไม่ขาดตกบกพร่องไปเลยแม้แต่น้อยชีวิตของคนที่ชั่วร้ายตลกตะแลงนั้นจะเป็นชีวิตที่เขาจะได้รับการเรียกว่าเต็มเติมเต็มด้วยผลแห่งการกระทําของเขาข้อต่อไปครับเราจะเห็นว่า คนโง่เขานั้นเขาเชื่อถือทุกอย่างแปลว่าเขาถูกหลอกง่ายไม่เพียงแต่คนชั่วร้ายจะเก็บเกี่ยวความตลกตะแหลงและเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาควรได้รับแต่ว่าคนชั่วร้ายนั้นยังเป็นคนโง่ที่ไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล สำหรับความเชื่อของเขาคนที่ไร้ความเชื่อก็คือคนที่ใจของเขานั้นหลงออกจากทางของพระเจ้าหลงออกจากทางแห่งความชอบธรรมเขาถอยเขาหันหลังกลับจากความเชื่อหมายความว่าเขาเลิกเชื่อเขาถดถอยออกจากจุดยืนแห่งความถูกต้องเขาเียนละทิ้งความศรัทธาที่เขาเคยมีมา ก่อนหน้านั้นเขาไม่ยึดมั่นต่อความถูกต้องอีกต่อไปได้ละทิ้งพระเจ้าและพระเจนะของพระองค์เสียแล้วพี่น้องครับในขณะที่คนดีนั้นจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่หวานและจะได้รับผลตอบสนองตามการกระทำของเขาอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับเราจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องหรือคนบางคนได้เลือกทางที่ชั่วร้าย ทางปลายทางของเราและของเขานั้นจะต่างกันข้อสุห้าถึงข้อสิบแปดก็จะพูดถึงปลายทางของคนโง่คนโง่เขานั้นเขาเชื่อถือทุกอย่างอย่างไร้เหตุไรผลเขาเชื่อคนง่ายครับถูกหลอกจากคนโง่ด้วยกันคนชั่วด้วยกันและขาดความยับยั้งชั่งใจ การขาดความยับยั้งชั่งใจนั้นมีความหมายว่าเขาไม่ระมัดระวังทั้งคำพูดและการกระทำของเขาในข้อที่สิบแปดได้พูดถึงคนเฉลียวฉลาดคนอย่างรู้เขาจะมีความรู้เป็นมงกุฎมงกุฎในที่นี้แปลว่าสงาราศีครับในข้อสิบเจ็ดถอยลังมาข้อหนึ่งเราจะพบว่าคนเฉลียวฉลาดนั้น เขารู้จักที่จะอดทนในขณะที่คนโมโหโร้ายนั้นเขาหุนหันพันเล่นเ้าสิบหกถอยกลับมาอีกเราก็จะรู้ว่าคนที่มีปัญญานั้นเขาจะรู้จักระมัดระวังตัวและหันเสียจากความชั่วร้ายแต่คนโง่นั้นขาดความดับยั้งชั่งใจและสับเข้าครับเพียงครับคําว่าสับเข้านั้นมีความหมายแปลว่าเขาแค r e l e s คือ ไม่ค่อยสนใจหรือขาดความสนใจขาดความละเอียดอ่อนนะครับและตอบสนองอย่างทันควันแปลว่าอะไรครับตอบสนองอย่างไร้ความคิดไร้วิจารณญาณาไม่ได้มีความรอบครอบเลยข้อสิบเก้าสุดท้ายในวันนี้ก็คือคนชั่วร้ายจะกราบคนดี นั่นหมายความว่าในที่สุดแล้วคนที่ทำความชั่วจะต้องยอมสยบอยู่ต่อหน้าผู้ที่ชอบทำและอนาคตของคนชั่วร้ายก็จะตกอยู่ในอํานาจของคนของพระเจ้าและพระเจ้าเองคนชั่วร้ายจะกราบลงก็คือยอมสยบกับความดีของคนชอบทมพี่น้องครับไม่ต้องกลัวว่าในเวลานี้เราเจอกับอะไร แต่ขอให้มั่นใจว่าในที่สุดแล้วจุดหมายปลายทางของเราก็คือความสำเร็จเราทุกคนจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านไว้อย่างแน่นอนอาเมน